ปัญหาที่สิถามเรื่องเกี่ยวกับลมหายใจคาแต่พระ น, นักเสนบุคคลอาจทำลมหายใจให้ดับได้หรือขอถวายพระพรได้ได้อย่างไรพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรมหาบอพิษเคยได้ยินเสียงคนนอนกรนบ้างหรืออ๋อเคยสิพระผู้เป็นเจ้า ขอถวายพระพรเวลาเขาวพลิกกายเสียงกลนเงียบไปไหมเงียบไปพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรเสียงกลนนั้นเป็นเสียงของผู้ไม่ได้อบรมกายไม่ได้อบรมศีลไม่ได้อบรมจิตแต่เมื่อพลิกตัวก็ยังหายไปส่วนลมหายใจของผู้ได้อบรมกายอบรมศีล อบรมจิตเข้าจตุต า, าชาญจะไม่ดับหรือมหาบอพิษชอบแล้วพระนักเซนอธิบายคำว่าจตุต า, าชาญได้แก่ชาญสี่ที่มีลักษณะดับความรู้สึกจากลมหายใจในขณะนั้นซึ่งเป็นอาการทั่วไปของผู้ที่เข้าชาญสี่มิใช่ว่าลมหายใจจะดับสิ้นไป ดังนี้